บุ๊กทูเก้าสิบสามเก้าสิบสามอนุประโยคใช้เชื่อมอนักคำศัพท์ด engan อปปะพากะฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่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 ฉันไม่รู saya เขาจะไม่รักฉันก็ได้ a p a อว a าเ a าจะไม่กลับ ci n ็ได้ a ร a อวาเขาจะไม่กลับมาก็ได้ apa เขา k ะไม่กล เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ apa d i ดีมนลปอน a ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมฉ a นถามว a าเขาคิดถึงฉันไหิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม saya bertanya-tanya apakah ฉั a n า, า, า, ามว่ m เข i พ i k a กหก a ร a อเปล่าลาิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก berbohong เข า, าจจคิดงฉันหรือเปล่า มิคิ r ก a n ส a ย a เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าอาปาเดียมีลิขิวานิตาลายนเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้อาปาเดีย berkata อย่างซื่อาาาาจืดจึงนีฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ y ah a r a g u a p a dia benar-benar menyukai s a y a ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ Saya ragu ah say a p a dia menyurati saya ฉันสงสัยว่าเขาจะ่งงานกับฉันหรือไม่ menikahi saya เขาจะชอบฉันจริงจังไหม apa จริงจังไหมจริงจังหมจริงจังไหมจริจังไหมจงงาหมจันไหมจังหมจังไหมจังไหเจรจังรงงรังไังจงงััไหม Apa dia benar-benar akan menikahi saya?